สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในท่าก่อนคุชอบเล่าหลังจากที่ได้ไปเล่นน้ําส่งกรารมาแล้วก็มาฟังคลิปกันต่อนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นสักนิดนึงเพราะว่าตัวผมเองก็ยังต้องเริ่สตาร์ทเครื่องใหม่ด้วยว่าร่างกายยังไม่ค่อยจะเต็มร้อยโดยคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณบีได้ส่งมาเรื่องราวของคุณบีจะเป็นยังไงเราไปฟังเรื่องราวของคุณบีกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อพันครับผมเป็นคนนึงที่ชื่นชอบการเดินป่าการอยู่ป่าเป็นชีวิตจิตใจ ถึแม้บางครั้งจะไม่มีใครไปเป็นเพื่อนแต่ด้วยความชอบที่มีอยู่เป็นทุนแล้วผมก็ยังไปคนเดียวได้คนมันชอบอันที่จริงส่วนมากผมก็จะไปคนเดียวสุดเป็นส่วนใหญ่เพราะพวกเพื่อนๆแถวบ้านนะ่ะเขาไม่ชอบเข้าป่าเหมือนผมหรอกจะบอกให้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอายุ78็ดขวบผมก็ได้ตามคุณปู่เข้าป่าแล้วท่านพาเข้าไปตัดไม้เผาท่านนะครับคุณปู่ของผมท่านมีอาชีพเสริมด้วยการเผาท่านขายส่วนที่บ้านของท่านนั้นเปิดร้านไข่ยของชาเล็กๆพออยู่พอกินตามปภาษาคนบ้านนอก ออเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องของโป่งครับโป่งที่ว่านี้เขาเรียกกันว่าโป่งเย็นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอันใดใหญ่เรียกเยี่ยงนั้นแต่เท่าที่ได้ไปสัมผัสมาณนะโป่งนั้นมันก็เย็นจริงๆทั้งอากาศก็ร่มรื่นปลอดโปร่งเย็นสบายทําให้เมื่อไปอยู่ณตรงจุดนั้นจิตใจก็รู้สึกเยือกเย็นเป็นสุขอยิางบอกไม่ถูกแต่บางทีก็เย็นว่าบขนลุกไปทั่วตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบไร้าสาเหตุก็มีผมเองก็ล่าสัตว์เหมือนกัน แต่จะล่าแค่พอกินกันในครอบครัวและญาติญาติเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อหาพิขายหรือเพื่อความสนุกคึกขนองยิ่งสมัยนี้สัตว์ป่าหายากขึ้นทุกวันบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปหมดเส้นแล้วสัตว์หย่บางชนิดเช่นเสือหมีกวางเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเจ้าตั ว, ตวกึ่งหมูกึ่งหมาซึ่งเจ้านี่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นเป็นสักเทเหมือนจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วคงจะมีเหลือบางชนิดเท่านั้นที่เห็นได้ก็คือหมูป่าเก้งลิงเช่นนี้ ส่วนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างกระรอกกระแตไก่ป่าจะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างผมเองส่วนมากที่ออกไปล่านั้นก็มักจะได้เป็นอีเห็นหรือสะมดบ้างไก่บ้างส่วนนกทุกชนิดผมไม่ล่าไม่ฆ่าเลยเพราะสงสารมันมันไม่มีพิษมีภัยกแกเราแถมยังตัวนิดเดียวครั้งใดที่ออกป่าผมก็ขอแค่ครั้งละตัวเท่านั้นนานๆจะล่าทีแต่ที่เข้าป่าแทบทุกวันนั้นก็เพื่อพักผ่อนปลีกวิเวกสงบจิตสงบใจกับความวุ่นวายในสังคมเช่นทุกวันนี้ เอาละครับเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้มันเริ่มขึ้นในค่ําคืนหนึ่งของวันที่เข้าป่าวันนั้นผมก็เข้าป่าตามเคยเออมีอีกอย่างหนึ่งครับลืมบอกไปจากการที่ผมได้เข้าป่าปบ่อยๆผมก็ได้ไปพบกับหนุ่มชาวเขาเผ่าดีซอคนหนึ่งซึ่งได้ทําความรู้จักพูดคุยถูกคอกันเลยทําให้ผมกับชายชาวเขาคนนั้นสนิทกันหลังจากนั้นเราทั้งสองก็ได้เข้าป่าด้วยกันเสมอๆ เ, เชกเช่นเดียวกันกับวันนี้ผมขอเรียกแกว่าพี่โจและกัน แล้ววันที่ว่ามีเรื่องจะเล่านี้เมื่อมีเพื่อนร่วมทางผมกับพี่โจจึงได้พากันเข้าป่าไปด้วยกันมุ่งตรงไปยังจุดที่ลึกกว่าเดิมซึ่งใจผมหวังอยากจะเจอกับสัตว์ใหญ่บ้างก็เลยชวนพี่เขาพากันไปยังป่งเย็นป่งเย็นที่ว่านี้มีเรื่องเล่าจากคนเก่าคนแก่ก็พูดกันนักต่อ น, นักกล่าวว่าไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปกันสักเท่าใดนักหรอกส่วนมากจะพากันไปตอนกลางวันแล้วจะรบีบกลับก่อนตะวันตกดินก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใด แต่นั่นก็เป็นเรื่องเก่าแล้วมานานเมื่อก่อนหลายสิบปีมาแล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะห้ามยังไงก็เลยมุ่งหน้าเข้าป่าไปยังจุดที่ตนเองได้นัดกับพี่โจไว้และเมื่อพบกันตามเวลาที่นัดหมายก็พากันเข้าไปในป่าแห่งนั้นแค่สองคนมุ่งตรงยังโป่งเย็นผมกับพี่โจนั้นเป็นคู่หูตั้งไว้ก็ได้พากันเดินทางเข้าป่าไปกว่าจะถึงที่หมายก็จุดจะมืดอยู่แล้วมเมล่งได้ต้นไม้ที่ต้องการทำเลถืว่ยเยี่ยม จึงได้ช่วยกันรีบขัดห้างขึ้นด้วยแข่งกับเวลาที่ความเมื่ดกำลังจะปกคลุมเอาแค่พอใช้เป็นพลิงพลางก่อนเพื่อใช้เวลากันพอสมควรพอช่วยกันทำเสร็จเรียบร้อยเราทั้งสองคนก็พากันขึ้นไปนั่งรอสัตว์บนห้างนั้นกันต่อมาก็ลงมือจัดการกับมื้อเย็นที่เตรียมมาจนเรียบร้อยก่อนที่บรรยากาศรอบตัวจะมืดสนิทและหลังจากนั้นเราทั้งคู่ก็ได้แต่นั่งเงียบยยด้วยใจสงบดื่มด่ำสัมผัสกับธรรมชาติรอบกายมีลมเย็นพัดโชยมาบ้าง ก็นั่งกันไปกระซิบคุยกันบ้างเป็นครั้งคราวนั่งฟังเสียงรีดปรึงเรไรร้องระ ง, งมให้เพลินไปนั่งจนมาถึงช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าก็มีแค่สัตว์พวกกระต่ายเดินผ่านมาพี่โจเห็นก็จะยิงแต่ผ ม, มรีบห้ามไวท้ทันกลัวป่าจะแตกเพราะคงจะไม่มีสัตว์ตัวใดกล้า ย, ย่ำกลายเข้ามาอีกเป็นแน่แท้ถ้าได้ยินเสียงปืนซึ่งพี่โจก็โอเคแล้วเราก็นั่งคอยสัตว์ใหญ่กันต่อไป จากนั้นด้วยลมเย็นๆทั้ ง, งยังบรรยากาศที่มืดรอบด้านแถมนย่งเงียบระวังเวงทําให้ผมเผลอหลับไปได้วยความอ่อนเพลียเพราะเดินขึ้นเขาลงเขามาทั้งวันหลังจากที่เผลอห ล, ลับไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ปังสิ่งนั้นทําให้ผมสะดุ้งตกใจตื่นขึ้ น, นมามันเป็นเสียงการลั่นไกายจากปืนพิโจ้นั่นเองเอาแล้วไงคงได้สัตว์ที่สมควรกับการยิงแล้วหระอมัง้งผมคิดเมื่อลืมตาขึ้นเต็มตื่นสิ่งที่สายตาผมสัมผัสและเห็นได้ขนาดนั้นก็คือ แสงไฟที่สั่ส่องไปทั่วพื้นบริเวณโป่งนั้นแล้วก็เสียงจากปากที่บ่นไปของพี่โจมันเป็นไปได้ไงไม่ได้ยินเสียงโดดหรือตะกายหนีเลยสักอย่างระยะแข่นี้ไม่น่าจะพลาดตัวไรพี่เก้งหรือหมูล่ะผมถามแต่คําตอบที่ได้ก็คือไม่รู้ว่าตัวดำๆพอๆกับหมาแต่ดวงตาไม่สะท้อนแสงไฟก้มหัวลงต่าไม่เห็นส่วนที่เป็นปากหรือจมูกมันผี่ยิงไปที่สันหลังมันคิดไปโดนจังๆแล้วเชียวจนเองตื่นแกจะซ้ําอีกนัดถ้ามันไม่จอดแต่พอส่องไฟดูดันไม่มีอะไรเลย ได้พี่ลงไปดูร้อยเลือดว่ายิงถูกตัวมันไหมแต่ผมรีบจ็บแขนพี่โ จ, โจได้ทันก่อนที่จะลงจากห้างแล้วก็บอกแกไปว่าพี่ตาลายเห็นไปเองหรือเปล่าพี่โ จ, โจรีบตอบกลับทันทีไม่มีทางแน่พี่จะปลุกเองแล้วกลัวเกิดเสียงเลยยิงไปก่อนยังไงเองตื่นมาซ้ําก็อย่างทันนะ่ะถ้าไม่ตายแต่นี่ไม่มีอะไรเลยตอนแรกได้ยินเสียงเปิดไฟส่องก็ยังเห็นตัวมันเดินดุมๆข้นมาเรื่อยๆก็เลยยิงออกไปก่อนผมก็เลยถามไปอีกว่ามันตัวอะไรล่ะ คำตอบที่ได้ก็คือไม่รู้แน่ใจถึงได้ยิงออกไปดูว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดแต่ก็ตัวปอกับหมาเลยหละจากนั้นเราทั้งสองคนก็รอจนสว่างพอแสงเงินแสงทองเรื่อเรืองพอที่จะมองเห็นอะไรได้ถนัดชัดตาแล้วก็ค่อยพาการปีนลงจากห้างพอถึงพื้นดินก็ช่วยกันสำรวจหาร่องรอยต่างๆแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรแม้กระทั่งเลือดสกดก็ไม่มีพบแต่เพียงรูกระสุนที่พิโจยิงลงมาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีร่องรอยสัตว์ใดๆ ส่วนตัวผมคิดว่าพี่โจตาฝาดคิดไปเองมากกว่าก็เลยไม่ได้คิดอะไรให้เสียเวลาหุงหาอาหารเช้ากันแบบง่งายๆแล้วก็แยกแย้ายกันเดินแบบคนละทางเพื่อไปหายิงสัตว์กันมีการนัดหมายว่าจะต้องมาเจอกันที่ห้างเดิมก่อนค่ำอีกทีหลังจากที่แยกกันไปได้ไม่ห่างกันเท่าใดนักผมก็ได้ไก่ป่าตัวหนึ่งได้เท่านี้ก็พอแล้วสําหรับอาหารกลางวันของวันนี้เดินมาจนถึงลำห้วยซึ่งมีน้ำไหลรินใสสะอาด ผมจึงได้กรอกใส่กระติกสำรองจนเต็มแล้วก็ล้างหน้าล้างตาขอบอกเลยว่าน้ำนั้นเย็นสดชื่นมากส่วนทางด้านของพี่โจนั้นผมก็ไม่รู้ว่าก็ไปถึงไหนแล้วและเจออะไรบ้างระหว่างที่ผมเดินสำรวจป่าดงพงไพรนั้นสิตาของผมก็ไปเจอกับสิ่งหนึ่งเข้ามันโผล่ขึ้นมาจากดินขนาดเท่าฝ่ามือผมจึงได้ใช้มีดปลายแหลมขุดลงไปไม่ลึกมากนักก็เอาสิ่งนั้นออกมาจากดินได้และกษณะของมันเป็นวัตถุฝีมือมนุษย์แน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยุคสมัยใดและมีอายุนานเท่าใดแล้วมันเป็นหินลักษณะเหมือนก้อนม้อดินเผาเพียงแต่มันทําจากหินเท่านั้นผมมองไปมองมาก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยในป่าลึกเช่นนี้ทําไมจึงมีของอย่างนี้อายุของมันจะเกี่ร้อยกี่พันปีหรือว่าเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นบ้านเมืองหรืออะไรกันแน่แต่จะว่าไปอันที่จริงก็ไม่แปลกมากเพราะสร้าบวัตถุโบราณแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้างอื่นเช่นกำแพงเมืองหรือวัดวาอารามสถูปเจดีย์ ก็มีอยู่ทั่วตลอดภูเขาแทบทุกลูกเลยก็ว่าได้ดูแล้วช่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินซึ่งทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นจะเป็นในยุคใดสมัยใดผมเองก็ไม่อาจล่วงรู้ได้มันเกินความสามารถของคนที่จบแค่หมอสมเช่นผมเดินไปเดินมาเพลินเวลาก็เริ่มจะเย็นกะกบเวลาก็ประมาณ4ี่ห้าโมงได้ละมัง้งผมก็รีบเดินกลับมาที่ห้างที่ทําไว้กับพี่โจมเมื่อวานตามนัดแต่เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นพี่เขาอยู่ที่นั่น แปลกใจนิดนึงว่าใกล้จะมืดอยู่แล้วทำไมพี่โจยังไม่มาสักทีหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาปกติแล้วเขาจะเป็นฝ่ายมารอผมก่อนเสมอไม่ว่าจะนัดพบกันที่ใดหรือเมื่อไรเขาก็จะมาถึงก่อนผมตลอดคิดไปคิดมาเอ๊หรือว่าจะแอบชิ่งหนีกลับบ้านแคล้งทิ้งผมไว้คนเดียวแต่มันก็ไม่ใช่ที่บางทีแกาจจะเจอสัตว์ที่ต้องการแล้วแล้วก็รอโอกาสมาเหมะที่จะจัดการเปลืยชีพอยู่ก็เป็นได้ เพราะจากที่ได้ออกไปจนภัยเข้าป่าด้วยกันมานานพอควรเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นถึงไหนถึงกันเสมอผมเองก็ไม่คิดอะไรมากนะักหรือบนหาเฝ้าคอยเพื่อให้เกิดการแกนแกนในที่นี้หมายถึงการพลาดไปสมุดที่จะได้กลับไม่ได้ควรเจอแต่ไม่เจอซึ่งก็คือทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดนะครับซึ่งบรรดาพรานหรือนักเสี่ยงโชคเขารู้กันดีว่าเมื่อก่อนออกจากบ้านได้ย้ำบอกคนในบ้านว่าอย่าได้จุดจอบพร่ำเผลอคอยห่วงหาอะไรทำนองนี้แหละ ระหว่างที่รอผมได้ตกแต่งจัดการกับห้างให้แข็งแรงรวมถึงบั่งแพรต่างๆให้ดูมิชิดกว่าเดิมด้วยแล้วก็รอพี่โจต่อไปรอแล้วก็รอรอจนเวลาค่ําความมืดตัวตัวลงเต็มที่แล้วแต่ว่าพี่โจก็ยังไม่มาดูแล้วก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะกลับมาสักทีผมก็เลยจัดการกับอาหารที่เหลือในมื้อกลางวันคือไก่ป่าย่างกับข้าวหลามขอแค่มีข้าวสารติดตัวไปเท่านั้นก็พอเรื่องทําให้สุกกินได้นั้น คนเดินป่าประจำเขารู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องทํำยังไงพอเรียบร้อยจัดการกับมือเย็นเสร็จเตรียมทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วกําลังคิดว่าจะกลับหรือว่าจะอยู่ต่อดีถ้ากลับระยะทางก็ไม่เสีใกล้ๆกว่าจะออกไปถึงชายป่าแถมยังเป็นตอนกลางคืนอีกและป่าบริเวณนี้ผมก็ไม่ได้ชํานาญนักเพราะพิ่งเข้ามามีสิทธิ์หลงได้ง่ายๆเลยและไหนจะยังอันตรายอื่นๆอีกเอาเป็นว่าเป็นไงเป็นการล่ะคืนนี้ผมตัดสินใจอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะตัวลําพังคนเดียว ที่จริงอยู่ป่ากคนเดียวผมก็อยู่มานนักต่อนักแล้วจะว่าปไปเกือบตลอดที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ใช่ที่นี่ที่ปงแห่งนี้เคยได้ยินกิตติศัพท์มาก่อนแล้วบ้าง ค, คิดๆไปก็น่ากลัวอยู่นะแต่เมื่อตัดสินใจดีแล้วและกําลังจะปีนขึ้นห้างเพราะณเวลานั้นความมืดได้วรวยตัวปกคลุมเต็มที่แล้วตั้งท่าตั้งทางสายตาของผมก็เหลือไปเห็นแสงแสงหนึ่งแวบๆผ่านรอดผมยากข้างหลังผมแต่เห็นไม่ชัดมากเท่าใดนัก ด้วยว่าใบไม้และต้นไม้ึ่งสูงต่ตํา่นานาชนิดออกจะทึบพอสมควรแต่ก็ยังพอให้แสงรอดผ่านได้แสงที่เห็นนั้นระยะความสูงก็ระดับคนคาดไฟฉายบนหน้าผากผมยืนดูสักพักคิดว่าต้องเป็นไฟฉายของพี่โจแน่นอนอนึกว่าจะหนีกลับบ้านไปซะแล้วแต่ก็แปลกยิ่งมองไปที่แสงนั้นกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้เข้ามาเลยกลับถอยห่างเข้าไปในดงทึบลึกเข้าไปเรื่อยจนต่อมาก็มองไม่เห็นว่าไปทางไหนแล้วเพราะความทึบของป่า เอาละสิทำยังไงดีล่ะทีนี้จะตามไปดีไหมไฟสายของผมเองก็เปิดไว้แต่ทําไมเขาไม่เห็นนะแต่คิดไปคิดมาก็น่าแปลกใจเจ้าแสงที่เห็นมันออกจะเขียวๆพี่หน่อยถ้าเป็นไฟสายของพี่โจก็น่าจะเป็นสีเดียวกันกับผมซิจะว่าหิ่งห้อยก็ไม่ใช่แน่นอนหิ่งห้อยอะไรจะใหญ่ปานนั้นเถ่าที่เคยเห็นมาเต็มที่ก็พอๆกับหัวแม่มือเท่านั้นช่วงจังหวะที่ครุ่นคิดกับบรรยากาศที่หวังเวงอยู่รอบกาย แลวก่อนที่ผมจะจับเชือกที่มัดเอาไว้เพื่อช่วยดึงตัวและมัดสัมภาระรีบสาวตัวขึ้นไปบนห้างกรอบกรบกรบับกรบับหูของผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมันคือเสียงการย่ําใบไม้และมันก็กําลังดังใกล้เข้ามาเสียงนั้นมันดังมาจากทางข้างหน้าพร้อมกับแสงไฟอีกดวงผมเพ่งจ้องไปทางทิศที่มาของเสียงนี่สิแสงจากไฟฉายจริง กำลังส่องไปมาทั้งพื้นดินมันยอดไม้ขึ้นขึ้นหนลงลงสายบ้างขวาบ้างไม่คงที่อย่างแสงเมื่อตกี้นี้ผมจึงได้รีบส่งเสียงออกไปให้รู้ก่อนที่หัวกระสุนจะพุ่งเข้ามา ท, าทักทายสกอร์อาอาผม Lisa ไม่ได้เรียกชื่ อ, อมนนญญเมียวเมียวต๊กกตุ๊แกตุ๊กแกตแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊รแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุกแกตุ๊ตุ๊กแกตุ๊กแแกตุ เราสองคนใช้สัญญาณนี้กันมาตลอดในกรณีที่แยกกันกุรทางและวกไปเจอกันตามจุดที่นัดหมายกันเอาไว้ผมรีบถามเอาไปทันทีที่พี่ก็เดินมาถึงและเห็นกันชัดแล้วถูกพี่คิดว่าแอบหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเนี่ยพี่โจยังไม่ตอบในทันทีแต่แกทำหน้าทำตาเคร่งเครียดแล้วก็จ้องหน้าผมอย่างแปลกๆยังไงยังไงบอกไม่ถูกผมจึงได้ถามแกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าได้ตัวอะไรมาบ้างไหมถึงห้างสะดึกเลยซึ่งขณะนั้นเวลาก็น่าจะประมาณสามทุ่ม ก, กว่าได้ และในที่สุดพี่โจก็ตอบกลับมาว่ า, าอารมณ์ไหนอีกล่ะเองหยุดพูดขังไว้แค่นี้แล้วก็จ้องหน้าผมเส่ตาหลอกแหลกเหมือนว่าพยายามจะค้นหาอะไรบางสิ่งผมก็เลยพูดสวนออกไปทันทีเป็นอะไรของพี่ทำหน้าอย่ากือบไม่ออกริศีดวงกำเริบหรือไงมาถามได้ว่าผมอารมณ์ไหนคงไม่ใช่อารมณ์เปลี่ยวแน่นอนแค่ในป่าลึกดึ ก, ด ก, ดกมืดมิดแบบนี้ก็เปลี่ยวมากพออยู่แล้วนี่พี่คิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ผมตั้งใจพูดหยิ่แย่กุนกุนแกไปเล่น พอเห็นหน้าพี่เขาไม่สู้ดีนะักผิดปกติพี่โจกรีบสุดมาทันทีอ้าวไอน้นี่คนก็ถามดีดีนั่นตอบมากวนๆเดี๋ยวปัดพูดพร้อมกับยกมือขึ้นทำท่าจะเกลียกโลกผมพระถอยทันเทพี่โจพูดต่อไปอีกว่าแต่กี้ตอนหัวคําอีกเป็นอะไรของเองวะโกรธเคืองอะไรผิดหรือเปล่าถามอะไรก็ไม่ตอบสักอย่างแถมยังทำหน้ารากับจะกินเหลือกินเนื้อโกรธแค้นอะไรใครมาพี่ถามตั้งหลายครั้งก็ไม่ตอบไม่พูดจ้าแต่แต่หันมาจ้องหน้าพี่ยังกับว่าเกลียดแค้นกันมาแต่ปางก่อนยังไงอย่างนั้น พี่เองก็ไม่อยากจะผิดกับเองด้วยไร่เหตุในเมื่อถามไปแล้วไม่พูดไม่ตอบสักอย่างพี่ก็เลยบอกไปว่าเออเออองั้นพี่กลับแล้วนะแล้วเองก็ยังจ้องหน้ามองตามเฉยเฉจนพี่พ้รับดงทึบข้างหน้านี่แหละเดินไปก็คิดไปเอ๊ไอพันเป็นสาย ก, กระเบอืออะไรของมันปกติไม่เคยเล่นอะไรพเรพลินเพลินแบบนี้พี่สับสนงงไปหมดอุตสา์พูดด้วยดีๆแล้วไม่พูดตอบทำท่าอย่างการจะขาดจะแก้งนี่อีกนะเซะทั้งที่กับข่าวเมื่อเย็นเราก็เตรียมรอไว้ให้มันกลัวว่ามันกลับมาจะมีเมื่ อ, อรแอกนี่ยังไม่ดีอีกเห เดินไปคิดไปบนไปเดินต่างไกลดันลืมเป้หลังอีกทั้งของสําคัญก็ไว้แต่ตนศักทําห้างก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับเข้ามามันก็มืดมากใจหนึงก็กะว่าจะไม่เอาละช่างมันแต่คิดคิดดูแล้วมันก็ของสําคัญทั้งนั้นที่อยู่ในเป้เกิดดันหลงทางขึ้นมาแบตเตอรี่ไฟฉายดันหมดระหว่างทางละสวยแน่ก็เลยย้อนกลับไปหากเจอแคเองจะได้ทําให้รู้ไปเลยว่าเป็นสากอะไรหากยังไม่ตอบอีกก็ไว้จะเตะสักปล่าว่าเป็นอะไรแนะ่ แต่พอมาถึงปากทางข้าวพงรคทึบนั้นก็แปลกจใจเข้าไปอีกอะไรวะของของเรามากองอยู่นี่ได้ยังไงหรือไอพันธ์เอาค้นมากองไว้ให้แม้แต่ข้าวปลาที่แบ่งไว้ให้มันยังเอามาวางไว้เหมือนที่เราทําไว้ไม่ผิดเลยไม่กินอะไรที่เราเตรียมไว้แม้แต่น้อยผิดปกติเกินไปละ่ะหยุดนิ่งคิดไปพักหนึ่งเหมือนจะทบทวนอะไรอยู่ครู่หนึ่งและพูดต่อและปีก็คิดว่าจะลองค่อยๆย่องปิดไฟสายเข้ามาลองแอบดูซิว่าเองกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่ย่องเข้ามาได้ไม่กี่ก้าวก็คิดได้ ว่าหากว่าเองได้ยินเสียงแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็หันกล่องปืนสองไม้ที่พี่คิดว่าเป็นสัตว์ขึ้นมาจะทำยังไงก็เลยตัดสินใจเปิดไฟและก็เดินตามปกติเข้ามาพอพ้นผมไม้ทึบข้างหน้าก็ได้ยินเสียงเหรียกเมี้ยวเมี้ยวของเองดังขึ้นมาก่อนพร้อมกับแสงไฟใช้บนหน้าผาของเองพี่ก็คิดในใจว่าแปลกว่าที่เองเป็นฝ่ายร้องทักขึ้นมาก่อนต่างจากครั้งแรกที่พี่ภูตอันรแต่เองสื่อเงียบแถมทำหน้าทำตาอย่างที่บอกถามจริงเองเป็นสากอะไรของเองวะกินยาผีกูหรือไง ผมได้ฟังก็ถึงกับอึ้งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่าพี่เขาจะอามเล่นหรือเปล่าก็เลยบอกแกไปว่าเมื่อหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ว่า ง, งีบปรับแล้วฝันไปเองมัง้งโธ่ฝันหออะไรพี่เดินกลับไปกลับมาจนจะกล่าวค้าไม่ออกแล้วเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจพี่โจว่าคิดไปเองมั้งที่เมื่อคืนพี่จริงๆพื้นดินเล่น <laughs> ผมอดหัวเราอไม่ได้จึงปล่อยเลขห้าวไปหลายตัวแต่เห็นหน้าพี่โจแล้วเขาไม่เล่นด้วยเลยแถมเครียดลงกว่าเดิมอีกผมจึงรีบพูดบอกไปว่าให้รีบขึ้นห้างกันเถอะ กลัวว่าเดือดสัตว์ได้กลิ่นคนแล้วจะไม่เข้าเอ อ, เออเรียบเรียบกันไปกันไปพี่ว่าจะขอนอนสักหนึงเหนื่อยเองอยู่เฝ้ายามไปก็อย่าประมาทละกันพี่โจว่าพร้อมกับเรื่องให้ผมขึ้นเร็วเร็วครับผมตอบแกไปแต่ในใจก็ยังคิดไปว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อผมเองเพิ่งกลับมาที่นี่แล้วก็เพิ่งเจอกับพี่เขาเมื่อกี้นี้เองแล้วก่อนหน้านี้พี่โจไปเจอกับใครมาที่ว่าเป็นผมเขาเป็นใครแล้วจะแสงไฟก่อนหน้าที่พี่โจจะเข้ามา มันคือแสงไฟอะไรกันแน่ซึ่งมันมาปรากฏตรงกันข้ามกับทางที่พี่ก็โผล่มาคิดไปคิดมาหันไปมองอีกทีพี่โจหลับบรรยากาศป่ารอบกายตอนนี้ดูมันช่างสงัดวังเวงจริงๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมและเพื่อนรุ่นพี่ได้ไปพบเจอมาที่ปวงเย็นเป็นประสบการณ์จริงที่ผมกับรุ่นพี่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าคืออะไรครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบีมากนะครับที่ได้กรุณาส่งเรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอด